ที่เขาจะต้องได้รับในเมื่อได้ละกายเนื้อผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วยังหลีกเรียกไม่พ้นบ่อยครั้งพวกเราได้ยินพระในโลกมนุษย์เทศถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์อย่างผิดผิดพลาดพลาดเพราะความหลงไม่รู้จริงของตนเองซึ่งทำให้รู้สึกเสมือนได้ฟังเรื่องชวนหวร้อขนาดหนักฉะนั้นสภาวะของสิ่งทั้งหลายรอบด้านเราเป็นประจักษ์พยานได้อย่างดีว่า การเทศของท่านเป็นเรื่องน่าขบขันเพียงใดมันเป็นเรื่องเหลวไหลสิ้นดีที่ผู้ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แต่อย่างใดกลับทำตนเสมือนว่าเป็นผู้รู้ยิ่งฉะนั้นบรรดาพระกลุ่มที่ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงแต่อย่างใดนี้ต่างพากันสวดอ้อนวอนท่าผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์เสียอย่างขนานใหญ่ซึ่งแท้ที่จริงก็หาได้มีสาระอย่างใดไม่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 เราก็เห็นว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญาหาความรู้จริงในเรื่องจิตใจหรือเรื่องโลกหน้าไม่ได้เลยอันที่จริงรับรองได้ว่าพวกเราไม่ได้มีความรู้สึกคุนเคืองแต่ประการใดเลยตรงกันข้ามเรากลับพากันสมเพศเวทนาท่านเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งขณะ น, นี้เราได้ปรึกษากันและเห็นพ้องต้องกันว่า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 และมีไว้ยังสวยงามอย่างยิ่งเสียด้วยซึ่งรูทก็ได้ขอร้องให้พาเราไปในทันทีไม่ปลากวดว่าเอ็ดวินขัดข้องแต่อย่างใดและแล้วอีกครู่หนึ่งต่อมาเราก็ได้เห็นภาพอันสวยสุดงดงามสมดังใจนึกเบื้องหน้าเราเป็นทัศนียภาพอันตรการตาอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยเป็นสนามหญ้ากว้างลาดขึ้นไปหาเนินสูง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 จะเห็นภาพต่างๆล่องลอยบนผิวน้าเป็นระยะๆซึ่งเอ็ดวินกล่าวว่าหากเราต้องการจะลงไปเที่ยวเล่นในเรือเหล่านั้นบ้านก็ได้ผู้เป็นเจ้าของเรือเหล่านั้นบางรายก็ถือเอาเรือของเขาเป็นบ้านสําหรับอาศัยอยู่ียเลยท้งนี้เป็นความสมัครใจของแต่ละบุคคลเองและการอาศัยอยู่ในเรือซึ่งล่องลอยไปในทะเลหลวงเช่นนี้